คุณกำลังฟังสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี FM 89.5 MHz เย็มเนศิระพระบา ร, รมีที่ปกเกตทุกคามเขตปราดทุก์จึงสุขสมัยทศพิษราชธรรมนำจอมไทยพระเกียรติไกลดุดล้นกล้าวเจ้าชีวันด้วยดวงจิตบูชามหาราช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 สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโฆษณาวรารตี้ค่ะโ อ, อกาสเป็นประจำแบบนี้ทุกสัปดาห์ทางสถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 ค่ะแล้วก็พบกับเราสองคนนะคะที่จะสรรหาเรื่องราวที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังให้คุณผู้ฟังในยามค่าคืนแบบนี้ค่ะอาจารย์นัดวิภาค่ะ อาจารย์รัติการนะคะเราทั้งสองคนมาจากสาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนค่ะสำหรับประเด็นในวันนี้นะคะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวงการสื่อสารมวลชนโดยเฉพาะเล ย, เลยซึ่งที่ที่บอกไว้อย่างนี้เนื่องจากว่าเวลาเราทํางานนะคะอย่างน้อยเนี่ยการได้รับรางวัลหรือการได้แบบ เขาเรียกว่ามีเสียงชื่นชมกลับมา ก, ก็ถือว่าดีใจมากแล้วทีนีพ้พอได้รับรางวัลอีกรางวัลเกียรติยศอะ่ะ ซึ่งแต่ละขแขนงแต่ละวิชาชีพอย่างเช่นนักกีฬาเขาก็จะมีวันนักกีฬาแล้วก็มอบนักกีฬาดีเด่นอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะซึ่งวงการบันเทิงหรือแวดวงสื่อสารมวลชนโดยเฉพาะวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เขาก็มีงานแบบนี้อยู่เยอะแยะเหมือนกันแต่สําหรับในวันนี้นะคะเรากําลังจะพูดถึงรางวัลที่เพิ่งจัดผ่านพ้นไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั่นก็คือรางวัล น, นาตราชใช่ค่ะก็เป็นรางวัลที่ มอบให้กับคนบันเทิงที่ ทำงานสร้างสรรค์ความสุขความสนุกเนาะให้กับพวกเราในฐานะผู้ชมนะคะอย่างที่อาจรารย์รติการบอกไปก็คือในทุกๆวิชาชีพเนี่ยจริงๆแล้วก็จะมีการมอบรางวัลเป็นประจําทุกๆปีอย่างของโฆษณาประชาสัมพันธ์เออฝั่งโฆษณาก่อนโฆษณาเองเขาก็มีนะอย่างแบบประกวดการในต่างประเทศเป็นประจําทุกปีก็คือทั่วโลกเนี่ยเอเจนซีต่ต่างๆทั่วโลกเนี่ยก็จะส่งชิ้นงานผลงานเข้ามาประกวดก็จะประกวดเรียกว่า Cannes Lion นะค ะ, อะของประเทศไทยเนี่ย ก็ได้รับรางวัลอยู่แบบเขาเรียกแหละเป็นประจําทุกปีนะคะ<ช>รางวัลแบบเหรียญทองแดงบางเหรียญเงินเงินบ้างรางวัลชมเชยรางวัลเหรียญทองแบบนี้นะคะ<ช>ก็เป็นกําลังใจให้ให้กับคนที่ทํางานเนา ะ, ะแล้วก็มีรางวัลสุพรรณหงษ์ใช่ไหมที่เราเคยได้ยินการมีรางวัลสุพรรณหงษ์ซีซันอวอร์ดเมือนนี้<ช>นะคะ<ช>ก็จะมีะซีซันอวอร์ดสุสพรรณหงษ์แล้วก็ที่มีของที่ช่อง9อสอมททำอ่ะ ที่เป็นของนายอินเตอร์เทนใช่ไหมคก็เป็นแบบสื่อมอบให้กันกับสื่อไดใช่ค่ะอันนั้นเขาก็เป็นรางวัลที่มอบให้กําลังใจกันนะอุปถัทธทองคำอะไรเยอะแยะนะคะซึ่งรางวัลต่างๆเหล่านี้จริงๆแล้วอะเราก็ยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลเพราะว่าทุกชิ้นงานที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นรายการข่าวราการสารคดีรายการอะไรต่อไม่อะไรเนี่ยค่ะก็จะเป็นการสร้างสรรค์แล้วก็เป็นเหมือนกับ ทำให้คนที่อยู่ในแวดวงนี้มีการพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆเป็นกำลังใจให้กันเป็นกำลังใจนะคะมีแบบอย่างของเรายังมีอะไรเป็นครูก็มีครูดีเด่นนีนะ ครูดีเด่นแห่งชาตอะไรอย่างนี้นะคะก็แล้วเราจะได้กันเมคะเนี่าทำงานต่อไปค่ะงานนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นครูนะคะเริ่มเลยค่ะซึ่งสําหรับในการประกาศผลรางวัลนาตราชครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่10แล้วนะคะก็มีรางวัลทั้งเส้น37รางวัลแล้วก็แบ่งเป็นงานทางด้านโทรทัศน์28รางวัลค่ะแล้วก็รางวัลทางด้านวิทยุจํานวน9รางวัลนะคะซึ่งผล ก็อรก็จะมีแบบหลากหลายรางวาัลบางรางวัลก็ต้องประกวดแข่งขันหรือบางรางวัลก็มอบเชิดชูในฐานะที่เป็นคนที่แบบมีคุณภาพควรค่าเหมือนเหมือนศิลปินแห่งชาติอะไรที่ควรค่าต่อการได้ไ ด, ได้ได้รับรางวัล น, นี้เนื่องจากว่ามีคุณอุปการสำหรับวงการนี้จริงๆนะคะอย่างเช่นรางวัลกติยศ ด, ด้านโทรทัศน์ได้แก่คุณประวิตรมาลินน์นะะก็เป็นผู้บริหาร อของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ค่ะส่วนรางวัลเกยียรติยศทางด้านวิทยุก็คือคุณทายทิพย์มรีกุลนายุทธยาหรือพี่ช็อตของเรานั่นเองนะคะขับไฟเดที่ดังๆใช่แล้วอพอทั้งสองท่านขึ้นไปพูดนี่ก็พูดด้วยความท่านก็ตื้นตันใจทั้ง2 อ, อ, อ, องท่านเนี่ยนะคะแล้วก็ขอบคุณแล้วก็เขาก็มีความสุขรางวัลเนี่เป็นสิน<า>่งที่แบบมีคุณค่าและเติมพลังให้เขามากเลย อ, อที่ที่ที่เขาจะทำรายการต่อไปคือคือก็ต้องสร้างสรรค์ต่อไปเรื่อยๆแม้ว่าออกระแสสื่อสารมวลชนเองก็ถูกผลกระทบมากเลยว่าชีวีดิจิทัลก็ปิดไปหลายช่องอยู่เหมือนกันใช่แล้วทุกคนก็บอกว่าไม่เป็นไรเรายังอยู่เหมือนเดิมเรายังจะตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจผลิตผลงานที่มีคุณภาพเหมือนเดิมด้วยนะคะก็ เดี๋ยวเราขอพูดเป็นรางวัลแบบประเภทต่างแบบพ อ, พอพอหอมปากหอมคอพอมีเยอะเพรามีเยอะลจะไม่พอกับรายการ<ช>ที่เวลาจำกัด<ช>นะ ค, ะ, ค ะ, ะสำหรับรายการข่าวนะคะรายการข่าวยอดเยี่ยมก็ได้ ไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะของบริษัททริปเปิลวีบอร์ดแคสต์จำกัดไทยรัฐทีวีนั่นไทยรัฐทีวีคือเขาได้มันเลยนะคือช่องไทยรัตน์นี่ข่าวผู้ประกาศข่าวหญิงชายอะไรคือทีฉันก็ชอบนะเพราะว่าตอนแรกที่เปิด ทีวีดิจิทัลขึ้นมาที่เปิดประมูลกันเนี่ยคือจริงๆแล้วมันก็ต้องหาเขาเรียกว่าหา positioning คือหาว่าตำแหน่งของเขาเรียกไม่ใช่ตำแหน่งถ้าพูดภาษาเราเราก็คือเหมือนแบบรายการเราหรือช่องโทรทัศน์ของเราอะ่ะมันจะมีความโดดเด่นด้านไหนเนาะอย่าง Workpoint เขาก็เด่นของเขาช่องวันเขาก็เด่นของเขาดิฉันก็ชอบแบบ ช่องไทยรัฐนะีฉันก็ดูข่าวเนี่ยไทยรัฐนิวโชว์นะคะว่าเดิฉันชอบอะไรว่ากราฟิกที่เขาทำเล่าเล่าข่าวแต่ว่าเขาจะมีภาพประกอบเป็นแบบกราฟิกทำแบบทำให้เห็นไงว่าอ๋อ มันเป็นลักษณะแบบนี้หรอ อ, อ๋อแบบสมมติเป็นข่าวอาชญากรรมนี้นะโจรกระชากกระชากแบบนี้เข้าข้างหลังหรือรถชนชนกันแบบนี้อย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราเห็นเห็นภาพชัดเจนขึ้นขึ้ น, นซึ่งการรายงานข่าวในในสมัยก่อนเนี่ยรูปแบบการรายงานแบบนี้มันจะไม่มีเนี่ยเพิ่งเพิ่งจะมาเห็นแล้วฉันก็เริ่มเห็นว่าช่องอื่นๆก็ก็มีการแบบพัฒนาทําให้ใคลายกันแต่จริงแล้วเราง่ายขึ้นจริงจริงแล้ว ด้วยชื่อของไทยรัฐด้วยไทยรัฐคือเป็นสำนักข่าวสำนักหนึ่งก็คือหนังสือพิมพ์นั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่ผันตัวเองมาทำเป็นทางด้านโทรทัศน์คือ อย่างเราก็ต้องยอมรับว่าทีมข่าวของเขาอ่ะก็เป็นผู้เ<ก>ชี่ยวชาญนะคะแล้วก็ฉันเคยเข้าไปอ่านในเว็บไซต์ของไทยรัฐเขาก็จะมีให้เลือกเลยว่าคุณจะเอาแบบไหนคุณจะเอาตามคอลัมน์ข่าวหรือจะเอาข่าวแบบหน้าหนึ่งเดี๋ยวนี้พอข่าวน่าหนึ่งก็จะเป็นรูปหน้าหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งขึ้นมาแต่พอเราคลิกเข้าไปตรงตร ง, ตรงหัวข้อข่าวหรือว่า h เฮดไลน์นั้นปุ๊บเนี่ยข่าวรายละเอียดของข่าวจะโชว์ออกมาทางด้านขวาเลยค่ะซึ่ง อ๋อเวลาเราอยากเห็นภาพเคลื่อนไหวแล้วก็เข้าไปดูไทยรัฐทีวีอย่างเงี้ยค่ะก็คืนนี้ไงมันแบบ<ม>เขาเรียกว่ามันคอนเวอร์ n จนกันไปหมดแล<ช>้วอะมาต่อค่ะสำหรับรายการทางโทรทัศน์นะคะการข่ายอดเยี่ยมรู้ไปแล้วรางวัลผู้ประกาศข่าวหญิงยอดเยี่ยมก็เป็นคุณเคศสอนหนูข่าวจากไทยรัฐ New s ์โชวเหมือนกันนะคะส่วนผู้ประกาศชายก็คือคุณภาคภูมิพันธุ์สถิตและการไทยรัฐนิวส์โชวซึ่งโอยอยากตบมือให้เพราะว่าทั้งทั้งสงท่านก็เป็นผู้ประกาศในดวงใจของฉันเหมือนกันที่ฉันชอบเวลาที่ทั้ง2ท่านเล่าข่าวนะคะรารงวัลผู้บรรยายรายการกีฬา ย, ยอดเยี่ยมก็คือคุณอดิศรพึ่งยานะคะรายการถ่ายทอดฟุตบอลสดนะคะเอฟเอฟซูซูกิปี2018 สารคาดียอดเยี่ยมก็กลบนอกกลารายการกลบนอกกลานี้ก็ดีนะ<ม>เป็นแบบรายการที่เรายังเคยเอารายการของเขาอะมามาเป็นตัวอย่างให้นักศึกษาดูเลยนะคะเพราะว่าบางทีแบบเอออย่างเขาจะมีเทปหนึ่งแต่อาอกาศนั้นและหลายปีมาแล้วค่ะไปถ่ายทําเกี่ยวเรื่องเบื้องหลังของงานโฆษณาอย่างเงี้ยก็เป็นความรู้นะคือคือก็เอามาเปิดให้นักศึกษาได้ดูเลยว่าอ๋อเนี่ยถ่ายทํายังไงก่อนที่คุณจะลงไปปฏิบัติงานจริงให้เห็นภาพเบื้องเบื้องหน้าก่อนว่าแบบ เบื้องหน้าเป็นแบบนี้แล้วเบื้องหลังเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็รางวัลเกมโชว์ยอดเยี่ยมนะคะรายการ Masterchef Thailand ร์ซีซั่นรางวัลวาไรตี้ยอดเยี่ยมก็คือ I can see your voice กร้ นักร้องซ่อนแอมนะคะแล้วก็รางวัลพิธีกรยอดเยี่ยมได้แก่คุณสัญญาคุณากรจากรายการเจาะใจโอ้ก็ เ, ะะเป็นพิธีกรมาแบบนานเนาะคื อ, อคุณสัญญาพูดว่าเจาะใจมีอายุกี่ปีแกมงมองหน้ากัน ค, คือคือในภายในงานนี่นฉันดูถ่ายทอดสดอยู่ว่าภายในงานเขาก็มองหน้ากันว่า วิตายแล้วอายุเนี่ยประมาณ40กว่าปีได้มั้งคะก็คือเกินอายุหลายๆท่านคือคุณสัญญาทำตั้งแต่แบบว่ายังก่อนแต่งงานอ่ะจนจนยมีครอบครัวลูกโตแล้วอ่ะลูกๆจะเป็นพิธีกรได้แล้วนะคะเป็นแบบพิธีกรทายาทอย่างนี้นะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะกลับมาทีนี้เข้ามาสู่โหมดของละครโทรทัศน์กันแล้วค่ะค่ะพักกันสักครู่เดียวค่ะรายการ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 กลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการโฆษณาวารายดีนะคะคือรางวัลเยอะอยากพูดมากอยากพูดบอกบอ ก, กเป็บ อ, บอกเพศข่าวไปแล้วใช่บอกกล่าวเล่าเรื่องให้คุณผู้ฟังรู้เยอะๆว่าอุ้ยรางวัลปีนี้คือคักจริงๆนะคะสำหรับทีนี้มาดูในเรื่องของ รางวัลที่เกี่ยวข้องกับบทโทรทัศน์หรือละครโทรทัศน์กันนะคะสําหรับบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมนี้ไม่พ้นค่ะละครเรื่องบุเพศนิวาตนะคะ oh, ก็คือคุณสารยาบุพ น, น, น, นิวัตใช่คือไม่เป็นประวัติศาสาตร์เลยอะแบบว่าสนุกแล้วก็ไม่ครบรถนี <laughs> <laughs> ้ฉันชอบด้วยนะที่แบบบางบางอันที่เขาจะมีให้นักแสดงมาแสดง เป็นแบบซีนที่ประทับใจอะใช่ไหมอย่างของของบุคเพ น, นี่ก็มีน ะ, ะที่เป็นตอนที่ดิฉันจำจาชื่อไม่ได้อ่ะคุณคุณนักแสดงที่แบบคุณบิ๊กใช่ใช่คุณบิ๊กกับคุณอะไรอีกคนนึงเนี่ยดิฉันจำชื่อไม่ได้เนี่ยโอ้แต่เล่นดีมาก่นดีะดอะแล้วคุณคุณ สวงสุดาค่ะโอ้โหตอนที่เขาถ่ายทอดออกมาเนี่ยคนที่เป็นแม่ทั้งหมดทั้งคุณโอปอ์คุณนิโคทาเโอนี่น้ำตาน้ำตาซึมเลยนะคะคือแบบว่าอินนะคนลูกนะคือเห็นเล่นสดอะเอาง่ายๆเล่นสดเหมือน คือเราดูผ่านจอทีวีเรายังอินขนาดี้ถ้ามาทําเป็นละครเวทีอุ้ยบุพเพมาทําเป็นละครเวทีก็ดีนะเนี่ยเออก็ก็น่าสนุกเผื่อจะมีใครมาทําลนะฝากคุณบอยเกียดไว้ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะก็จัดนะต่อมาค่ะรางวัลกํรกับสินยอดเยี่ยมนะคะได้แก่ละครเรื่องสีอายุทยานะคะรางวัล กำกับภาพยอดเยี่ยมมาแล้วค่ะเลือดข้นคนจางที่เราคคยพูดในละครใช่เคยเคยพูดในรายการนี้อันนี้เป็นของบริษัทนาดาวังก่อค่ะแต่ว่าผลิตให้ช่องวันส1สบเอ็ดนะคะแล้วก็ซึ่งก็มีคุณแหม่มคัทริยาขึ้นไปแบบพูดซีนที่แบบตาไหนตาไหลเหมือนกันเ้มืตาไหลนะคะคือดาราระดับนี้ระดับฝีมือกันทั้งนั้นนะคะรางวัลลาดับทา่ ยอดเยี่ยมพูดไปแล้วเลื อ, ลอดคน้นคนจางรางวัลเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมก็แน่นอนค่ะสีอยุธยานั่นเองนะคะว่าต้องมอบให้เลยนะจากค่ายนี้เนี่ยที่ฉันนั่งดูไปดูมาก็ขับเคี่ยวกันระหว่างเลือดคน้นคนจางแล้วก็บูเพสันนิวาสเพราะว่าคือเรื่องหนึ่งเนี่ย <c oughs> คือจริงๆทั้ง2เรื่องเนี่ยถ้าพูดถึงกระแสในออนไลน์นี่โอ้โหท่วมท้นนะ่ะถ้าเป็นกรรมการคงตัดสินลาบากนะเพราะเดี๋ยวมันจะต้องมีรางวัลแบบ เหมือนเป็นละครละครแห่งปีอ่ะใช่ไห ม, มชับเคียวกันอยู่ค่ะต่อมานะคะรางวัลละครชุดยอดเยี่ยมได้แก่ซีรีส์ Club Friday เด e Series 9รักครั้งหนึ่งไม่ถึงตายนะคะรางวัลเพลงประกอบยอดยอดเยี่ยมแน่นอนค่ะบุพเพศนิวาสขับร้องโดยคุณไอซ์รันยูวินัยพานิษนะคะทีนี้มาดูรางวัลให้กับผู้แสดงลวคะ่ะรางวัลทีมนักแสดงยอดเยี่ยมทีมนี้หมายถึงทั้งเรื่อง ทีมนี้ดีมากไม่ใช่แค่พระเอกกับนางเอกนะใช่ค่ะได้แก่เลือดค้นคนจางตระกูลจีระอนันท์ทั้งตระกูลเลยเขาขึ้นไปรับรางวัลรางวัลนะคะพอเขาพูดอย่างนี้มากๆากี่ฉันก็ชักจะอินนะว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นแบบเป็นพี่น้องกันจริงหรือเปล่าเนี่ยเวลาะเวลาผรู้สึกว่าแบบเออะอะไรก็จิรอนันท์อะไรอย่างเงี้ยนะรู้สึกว่านอกจ้าเขาก็สนิทกันอยู่ใช่ใช่ค่ะ รางวาัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมเ อ, อขวัญใจดิฉันมากเลยค่ะคุณธนพบลีรัตนคจรหรือน้องต่อนะคะน้องต่อนี่เขาเมื่อปีก่อนเขาก็ได้รับรางวาัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากบท เ, ออเด็กออทิสติกซึ่งได้รับไปแล้วรอบนี้ก็ได้อีกนะคะก็ก็น่าจะเป็นรอบหน้ารุนต่อเอาเลยคะ่ะสมทบหญิงไม่รู้นักแสดงยังไงดี เพราะว่าละครปีนี้ของน้องต่อเขาก็ดังนะหัวใจศิลาไงอคิดเลยนะหัวใจศิลานี่ไปประกวดปีนี้ปีหน้าไงถึงบอกว่าน่าจะปีหน้าเพราะว่าเพิ่งจบนี้เป็นปี2019อันนี้เขาประกาศของปี2018แต่เรารู้สึกเลือดค้นคนจางเพิ่งจบไปได้ไม่นานนะคืาน่าจะมาปลายปีหรือว่าโอ้น่าจะมีปลายปีต้นปีเลยอย่างนี้ป่ะค่ะแล้วก็รางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมได้แก่คุณมารีเบิร์นเนอร์นะคะน้องมารีเล่นดีมากจากละครเรื่องเมีย2019 แล้วก็แต่แต่คนเข้าชิงนะรางวัล น, นี้นะแต่และคนก็สุดยอดเหมือนกันนะคะนักนักแสดงสมทบเนี่ยเต่อมาค่ะรางวัล น, นักแสดงชายรางวัล น, นักแสดงนําชายยอดเยี่ยมพี่แท่งของเรานะคะกูเมศศักดิ์สิทธิ์แท่งทองผนนู้ที่แบบเป็นแบบ ฆาตกรที่เราตามหาตามหาตามหานานมากใครค่าประเสริฐยังจำว่ลีนี้ได้ดีค่ะแล้วก็รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมได้แก่คุณราณีแคมเปนนะคะน้องเบลล่าโถบุเพศนิวาดให้ไปเถอะไม่เพราะว่าเขาฉีกคือดนตั้งเองหมดเลยคุณข่ายฉันยังอยากจะกินแบบว่ากุ้งเผาอยู่เลยค่ะพอคิดหน้าน้องเบลล่าขึ้นมาเนี่ย เป็นนางเอกอะไรกันนี่แบบตลกมากแล้วก็เป็นเป็นคือเขาเป็นนางเอกไงรู้สึกว่าเป็นนางเอกแล้วต้องมาเล่นบทบตลกที่ตลกแบบต้องมาทำแบบเครื่องกองน้เนี่นะ กุ้เผาอะไรนะและรางวัลสุดยอดของข้ามคืนนี้อีกรางวัลนึงนะคะนั่นก็คือรางวัลผู้กํากับยอดเยี่ยมได้แก่คุณทรงยศสุขมากอนันต์จากละครเรื่องเลือดคน้นคนจางฉากนีดิฉันประทับใจมากเพราะว่าคนที่ประจาดรางวัล น, นี้คือพี่ อ, อ๋อพงพัทรวชีระบรรจงพี่ออก๋อกสุภาพดีขึ้นแล้วค่ะพี่อ๋อบอกว่าไม่พูดมากขอประกาศเลยและกัน <laughs> <laughs> แล้วก็ตัวของคุณยงทรงยศเองเนี่ยก็ขึ้นไปพูดบอกว่า รางวัล น, นี้ก็สำคัญอย่างหนึง่งแต่สิ่งที่เขาภูมิใจมากที่สุดคือเขาได้รับรางวัล น, นี้จากมือพี่ออฟและเขาก็ตอนถ่ายรูปนฉันเห็นคุณพี่ยงน่ะค่ะสกิดพี่ออฟอย่างเลยมองกล้ <laughs> องอย่า <laughs> อยากได้รู ป, ยรปอยากถ่ายรูปด้วยมากเลยคือแล้วเขาก็พูดให้ให้ให้เขาเรียก ว, ว่าแนวคิดที่ดีบอกว่า เขาโตมากับละครแล้วเขาก็ขอบคุณคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตหรือว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทําให้ละครโทรทัศน์ไทยขับเคลื่อนเพราะนี้คือตําราของเขาคือคือแรงผลักดันที่จะทําให้เขาเนี่ยผลิตผลงานที่ดีออกสู่สายตาประชาชนแล้วก็ฉีกแนวไปเรื่อยๆค่ะเราเราจะไม่ซ้ําเรื่องแบบเดิมอีกต่อไปมันคือเหมือนกับเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่ มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นทุกวันอันนี้ก็รู้สึกประทับใจในในช็อต น, นี้มากเพราะว่าเขาเขาก็ดีใจเขาบอกว่าเขาได้รับแล้วเขาก็ดีใจแต่แบบนี่มันคือสิ่งที่เขาแบบคือนะนอกจากจะดีใจจากรางวัลที่ได้แล้วก็ยังดีใจแบบได้รับรางวัลจากคนที่แบบเขารู้สึกว่ า, าใช่ค่ะก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆ ท, ท่านเลยที่ได้รับรางวัลทีนี้เราก็ มีรางวัลละครยอดเยี่ยมใช่ไหมคะที่ฉันบอกว่าเป็นแบบต้องต้องมีรางวัลละครแห่งปีอ่ะสุดยอดสุดยอดละครแห่งปีอ่ะคือมันต้องมีรางวัลเดียวอ่ะแล้วคนประกาศนี่ก็คือแบบคนที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะคือครูเล็กพัทรวดีก็ขึ้นไปประกาศอืเขารู้สึกว่าทุกอย่างมันโอเคตรงที่ว่าเขาให้เกียรติกันแล้วก็แบบจริงก็รุ้นไงจริงก็ลุ้นว่าแบบเพราะ ละครปีที่แล้วรวมถึงครึ่งปีต้นปีนี้มันโอ้ยสนุกหลายเรื่องเลยค่ะคุณขา<ช>แต่ว่าก็ต้องมีแค่หนึ่งเท่านั้นที่จะได้ไปได้แก่ละครเรื่องบุเพันิวาสแน่นเองนะคะโอ้โฉันก็ขับเอาตรงๆนะฉันก็ลุนระหว่างบุเพันิวาสกับเลือดคนคนจา่จาเพราะว่าดูทั้งสองเรื่องเลยก็แต่ก็น อ, อก็ต้องมีหนึ่เดียวจริงๆแล้วว่าอย่างอย่างถ้าเราเป็นกรรมการนี่ยนะมันคงจะมีเกณฑ์เกณฑ์หนึ่งว่าที่ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมพออะไร บางหนบางทีมันมันมันไม่ได้คือทุกเรื่องโปรดักชันน่ะเขาโอเคหมดแล้วล่ะตัวบทเขาก็เขาก็ดีเท่าๆกันน่ะแต่ทีนี้เนี่ยอาจจะเชื่อเฉือนกันด้วยหนึ่งการให้ความรู้ในแง่ของประวัติศาสตร์หรือเปล่าที่ทําให้เขาแบบเฉือนเอาชนะไปนิดนึงการให้ความรู้ในเรื่องแบบิทว่าเป็นเรื่องใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเรื่องของกระแสตอบรับด้วยแหละคือก็เป็นส่วนหนึ่งคือในออนไลน์เนี่ยไม่ว่าเท่ากันเนาะก็คือคิดแบบคิดติด อะไรอย่างนี้แต่ว่าพอไปวัดในมุมของที่เป็นแพลตฟอร์มเดิมอะที่เป็นแบบว่าเรตติ้งเนี่ยบุกเพั น, นิวาสนี่ได้ไปเยอะมาก ท, ที่บอกว่าแบบเป็นละครประวัติศาสตร์เลยอะที่ทำเรตติ้งได้ขนาดเนี้ยประวัติศาสตร์ของชองใช่แล้วต้องในยุคนี้ที่ที่มันมีทีวีดิจิตอลเยอะมากที่มีคู่แข่งเยอะมากแล้วคุณยังทำได้ขนาดเนี้ยซึ่งซึ่งไม่รู้ว่าจะหาใครมาลบ สได้ดหมยคือถ้าไปเทียบกับละครในอดีตอะไรเงี้ยดาพระศุกอย่างเงี้ยแต่สมัยก่อนไม่มียูทูปยังไงนมีมี u t u b e ด้วยนะคะก็แสดงความเปนดีกับนะคะบุกเพสันิวาสนะคะต้องตบมือให้ตบมือตบมือให้ค่ะก็วันนี้เวลาของรายการโฆษณาเวอร์ร y ตีก็หมดลงแล้วนะคะก็ฝากคุณผู้ฟังนะคะว่าตอนนี้นอกจากจะฟังแบบแพลตฟอร์มแบบวิทยุแล้วก็ ไปพบกับเราแบบออนไลน์ก็ได้นะคะฟังย้อนหลังก็ได้ค่ะก็เสิร์ชเข้าไปที่เพจ Facebook ได้เลยนะคะ fm 89.5 กนะคะก็จะมีรายการหลายรายการของทางสถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรีให้คุณผู้ฟังได้เลือกฟังนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เวลาหมดแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรายการโฆษณาวารตีสร้างสารรค์และผลิตรายการโดย